วนันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพศ25้าร้สการบรรยายพระสูตรออภิสมัยสังยุตปฏิจจสมุปบาทตัวรายการสุเทพโพธิสัทธาท่านสาธุชนที่หัวลบพระสูตรวันนี้จะสรุปต่อ ตามเอกสารจากที่ได้พูดเมื่อคราวก่อนน้นขอให้ท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมาดูเนื้อความที่ถ่ายฉายบนแผ่นใสเนี่ยครับถ้าหากว่าท่านถือเอกสารมาก็ได้โปรดเปิดไปในหน้าที่สี่หน้าที่สี่ได้แสดงถึงเวทนาสองอย่าง ที่กล่าวถึงเวทนาสองอย่างนั้นก็เพียงเพื่อที่จะช <c oughs> ี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมบบาทบางครั้งก็ทรงแสดงเวทนาหกบางครั้งก็ทรงแสดงเวทนาสามบางครั้งก็ทรงแสดงเวทนาสองอย่างเนือความที่ท่านได้ตรัสไว้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเวทนาสองในที่นี้ ได้ทรงตรัสกับพระอนุ์ได้ตรัสถึงเวทนาสองคือสุขเวทนาและทุกเวทนาในฐานะที่เป็นวิบากวิบากก็คือวิบากของกรรมได้ตรัสว่าดูก่อนอานเมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุ เมื่อวาจามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุหรือเมื่อใจมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุอันนี้เป็นเนื้อความในเบื้องต้นที่ผมจะอธิบายให้ฟังในตอนนี้ก่อนว่า แระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสแสดงสุขและทุกข์ในฐานะที่เป็นวิบากวิบากเนี่ยเราเรียกกันโดยนัยยะอื่นว่ากุศลวิบากอกุศลวิบากและอกุศลวิบากนั้นเมื่อได้ทรงตรัสนิยามจุดแยกแตกต่างกับกุศลวิบากก็จะต่างกันที่ท่านถือเอาเวทนาเป็นเกณฑ์ว่า วิบากใดที่เกิดโดยอาการของสุขเวทนาเรียกว่าเป็นกุศลวิบากเพราะฉะนั้นกุศลกรรมท่านจึงได้ตรัสว่ากรรมใดที่ให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นชื่อว่ากุศลผลคือความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลกรรมก็คือกุศลวิบากนั่นเองกรรมใดที่ให้ผลเป็นทุก กรรมนั้นชื่อว่าอากุศลกรรมทุกที่เกิดจากอากุศลกรรมจึงชื่อว่าอากุศลวิบากนี่เป็นการแสดงว่าสุขและทุกนั้นเป็นวิบากของกรรมเกิดขึ้นจากกรรมที่อธิบายอย่างในพระพุทธศาสนาดังนั้นข้อความที่ตรัสว่าสุขและทุกอันเป็นภายใน ข้อความตรวนี้นะครับหมายถึงในอัตภาพของเราแต่ละคนในอัตภาพของเราแต่ละคนนั้นก็มีความสุขความทุกข์ความจิตอุเบกามีด้วยแต่ว่าอุเบกขาเนี่ยท่านไม่ถือเอาเป็นจุดแยกที่สําคัญที่พูดกันอย่างเข้าใจได้ง่ายๆอย่างที่ได้ตรัสถึงในที่อื่นว่าผู้ที่มีบุพเพในวาสานุสติละลึกชาติก่อนได้ ย่อมระลึกได้ว่าเราหรือคนอื่นเนี่ยได้มีชื่อเป็นอย่างไรมีโคษเป็นอย่างไรมีอาหารเป็นอย่างไรมีสุขและทุกข์เป็นอย่างไรก็คือมีสุขที่มีฐานะเป็นกุศลิบาคในสภาพอย่างไรแล้วก็มีทุกข์ที่มีสภาพเป็นอกุศลิบาคในสภาพอย่างไรคนที่ระลึกชาติได้ก็จะสามารถที่จะมองเห็น สภาพของกุศลวิบากและอกุศลวิบากทีนี้สุขและทุกข์เนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ในตัวเราแต่ว่าสุขและทุกข์ของเราเนี่ยก็อาจจะนื่นงด้วยสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หรือเป็นองค์ประกอบของวิบากหรือของการให้ผลของวิบากเช่นว่าสุขเวทนาของเราเกิดเพราะว่ารูปดีกระทบตา หูจมูกลิ้นกายอย่างนี้นะครับแล้วก็ใจด้วยหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะรูปที่ไม่ดีเป็นต้นกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นวัตถุสิ่งของบุคคลอะไรๆที่อยู่ข้างนอกตัวเราเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสุขขเวทนาทุกเวทนาในฐานะที่เป็นเอกใครแต่ว่าตัวที่อยู่หลังฉากนั้นคือข้อความที่ทันตรัสว่า เพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุเพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุเพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุตรงนี้ก็คือสังขารสามนั่นเองหรือเจตนาสามเจตนาสามหรือสังขารสามที่ในที่อื่นที่เราได้พูดมาแล้วเรียกว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารนารินชาพิสังขารก็ดี หรือในอีกหลายๆที่จะเรียกว่ากายสังขารนุจีรังขานมโนสังขารก็ดีก็หมายถึงเจตนากรรมนั่นเองเจตนากรรมที่ท่านกล่าวไว้ในที่นี้ท่านแสดงกรรมโดยถวาวรมิได้แสดงโดยการจำแนกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเข้าไว้นะครับแต่ว่ามีความหมายคลุมบุญคลุมบาปเข้าไว้ เจตนาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปทางกายเรียกว่ากายกรรมนั่นเองเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมนั่นเองเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปทางใจเรียกว่ามโนกรรมนั่นเองเป็นอันเดียวกันก็จูงสรุปได้ว่าสุขความสุขและความทุกข์ของเราเนี่ย อันหนึ่งนะันเกิดขึ้นจากกายกรรมที่เราได้ทําไว้แต่อดีตอดีตที่จะเป็นอดีตชาติหรือเป็นอดีตในชาตินี้ก็ตามความสุขความทุกข์บางอย่างเรานั้นเกิดจากวจีกรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปที่เราได้ทําไว้บางอย่างเกิดจากมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปที่เราได้ทำไว้ทําให้ชีวิตเราเป็นสุขเป็นทุกข์แตกต่างกันเราก็ต้องแบ่งให้ชัดว่า ความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักที่ยืนสำหรับทุกๆคนนะครับสาหรับทุกๆ ก, กรณีย่อยอื่นทั้งหมดเกิดจากกรรมและกิเลสเราพูดได้ววาอย่างนั้นเกิดจากกรรมและกิเลสกรรมและกิเลสเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกัน เป็นพันธมิตรการกล่าวคือกิเลสเป็นพันธมิตรกับบาปกรรมอย่างแน่นแฟน้นอย่างแน่นแฟ้นมากแล้วก็เป็นพันธมิตรโดยตรงเป็นพันธมิตรในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะว่าคนที่ทําบาปเนี่ยเกิดบาปอากุศลจิตนั้นมีกิเลสประกอบเมื่อเราทําบาปครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรจึงได้ทั้งการสั่งสมกรรมและการสั่งสมกิเลสกิเลสและกรรมจะติดตัวเรามาเวลามาให้ผลก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับความทุกข์ที่เกิดจากอำนาจของบาปกรรมด้วยแล้วก็กิเลสเป็นตัวเข้าปรุงแต่ง ตามความถนัดที่เราได้สั่งสมไว้ด้วยปรุงแต่งให้เราเกิดความยึดถือเกิดความคิดนึกไปโดยประการต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสเป็นอันว่ากิเลสนั้นเป็นตัวเพิ่มกําลังเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับอกุศลวิบากได้อย่างดีสมมติว่าคนที่ ทำกรรมด้วยโทสะผู้ที่ทำกรรมด้วยโทสะโดยการปฏริสไายผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจความเป็นกรรมนั้นย่อมสําเร็จในสภาพกรรมพร้อมที่จะส่งผลตามจังหวะโอกาสพร้อมกันนั้นเขาก็สร้างสมนิสัยความเป็นคนมักกรดเมื่อตัวเอง ทำกรรมด้วยความโกรธสั่งสมนฤสัยของความเป็นคนมักโกรธเวลากรรมจะให้ผลเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเรียกว่าเปิดประตูรับผู้ร้ายเข้าบาทเช่นว่าเป็นคนชอบก่อการวิวาดนะฮะจะก่อการวิวาดในลักษณะที่หยาบร้ายรุนแนงรงขนาดไหนก็แล้วแต่ แล้วก็มักจะแสดงลักษณะยอย่างนี้แล้วก็ทำให้ไอ้ภัยพิบัติเนี่ยมันตามมาคือสร้างศัตรูทำให้คนหนึ่งมีความคิดเป็นศัตรูโดยที่ไปปะเหมาะศบเหมาะกับคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองบ้างก็มีไปศบเหมาะกับผู้ที่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรตัวเองบ้างก็มีโทรสารจึงเหมือนเหมือนเป็นตัวขวักมือเรียก การเบียดเบียนจากผู้อื่นมาสู่ตัวนะฮะนี่คืออํานาจในทางนิสัยกระกรำเขาเ อ, อสนับสนุนกันอย่างนี้ทีนี้พอตัวเองถูกทํำลายเมื่อตัวเองถูกทํำลายแล้วก็เกิดความเจ็บแค้นในความคิดลรงแต่งเจ็บแค้นว่าเขาทําเราเขาอย่างงงเขาอย่างนี้ด้วยหน้าของตัสะตามความถนัด บางทีเขาทำนิดเดียวแต่ว่าไปปรุงแต่งมากอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวขยายใหญ่โตทำให้ตรมใหม่ก็เกิดขึ้นโดยง่ายกรรมเก่าก็ได้ช่องส่งผลได้โดยง่ายทีนี้ถ้าคนที่ทำความดีบางครั้งก็มีกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกว่ากิเลสเข้าไปเป็นบริวารผมจะไม่อธิบายตรงนี้อีกนะครับกิเลสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญนั้นลดกำลังบุญและลดกำลังบุญให้น้อยลงแล้วก็เวลาวิบากส่งผลเนี่ยก็จะทำให้วิบากนั้นพิการพิการหมายความว่ามีลักษณะที่เป็นตำหนิ <c oughs> ตํนิวิบากที่เป็นตําหนิโดยลักษณะต่างๆกันที่เราเรียกว่าเป็นทุกขลาภนั่นแหละที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยครับอันนั้นเป็นบุญเจือบาปที่มี <c oughs> ลักษณะ <c oughs> ทําให้สภาวะของชีวิตผู้นั้นมีสภาพขัดแย้งกันอยู่ในตัวทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ในตัว แค่นี้เรามาดูเนื้อความข้างหน้าสุดที่ที่ที่านกล่าวไว้ว่าเมื่อกายมีอยู่เมื่อวาจามีอยู่เมื่อใจมีอยู่ข้อความตรงนี้ท่านหมายถึงทวานิสามหมายถึงทวานิสามกายเทวานวจีเทวานมโนทวา น, นทวานิสามเนี่ยถ้าจะปรับ เข้าปฏิจจสมุปบาทก็คืออายต น, นะสิบสองนะคือตรงนั้นอายตนะทวารสามสงเคราะห์เป็นองค์เดียวกันกันกบอายตนะที่เป็นที่อาศัยของการทำกรรมเป็นที่แต่ว่าในปฏิจจที่เขาว่าโดยละเอียดเนี่ยอายตนะตาลาตนะเป็นปัจจัยเกิดปัจจาระว่าเป็นขั้นๆไป แต่ถ้าว่าแบบไม่ว่าเป็นขันข้นนั้นก็กล่าวได้ว่าอายตนะเป็นที่อาศัยคือเป็นทางหรือเป็นเครื่องมือที่เจตนาเขาแสดงออกในการทำกรรมก็จึงเป็นอันว่าเจตนาถ้าไม่มีกายไม่มีวาจาและไม่มีใจแล้วไม่มีทางแสดงออกในการทำกรรม เมื่อมีการแสดงออกมีทางแสดงออกเขาก็ทำกรรมกรรมก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็วิบากก็เกิดขึ้นเมื่อเราจะพูดลักษณะของกรรมตามทวารเนี่ยนี่พูดถึงว่าวิบากของคนที่ได้รับความสุขความทุกข์เนี่ยเราจะเห็นได้จากชีวิตจริงๆของบุคคลว่า บางคนนั้นมีรอยบาปอยู่ในทางทวารกายคือได้รับความทุกข์เน่เพราะว่าพฤติกรรมทางกายได้แก่กายกรรมที่ตัวเองได้ทามาขา่าสัตว์รักย์บระพื้นปีนในการเป็นต้นอย่างนี้นะบางคนนั้นมีร่องรอยบาปอยู่ที่ทางปากคือเสียทางปากได้รับความทุกข์ก็ทางปากได้รับความเดือดร้อนก็ทางปากได้รับความสำเร็จในชีวิตก็เพราะปาก มีชีวิตที่สูงขึ้นก็ปพระปากมีชีวิตที่ตามลงก็ปพระปากอันนั้นน่ะถือว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากที่บุคคลนั้นได้ทำกรรมและมาส่งผลให้กับตัวเองอยู่ mm. ก็เลยทำให้ในทางหมอหรือแม้แต่นในทางศาสนาเรา mm. เวลาดูหรือประเมินค่าวิบากกรรมของคนเนี่ยมันถึงดูได้ที่ ที่ปากก็ได้นะฮะว่าคนที่เคยใช้ปากทำบุญมาเนี่ยมันจะมีแววอยู่ที่ปากคนที่ใช้ปากทำบาปมามจะมีร่องรอยอยู่ที่ปากไอ้ตรงนี้บางทีก็ไม่ได้ขึ้นว่าสวยว่าไม่สวยนะแต่มันจะมีแววอะไรบางอย่างอยู่บางบางทีเนี่ย <c oughs> อย่างอย่างรายหนึ่งนี่เราก็พูดกับเขาแบบแบบเทีงธรรมะก็ หมอเขาก็ดูแบบหมอเขาบอกว่าอคนนี้ปากเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสําเร็จเนี่ยเขาประเมินในแง่งความสามารถซึ่งก็จริงแต่ว่าพร้อมกันนั้นเนี่ยปากก็นํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าประเมินในแง่ของของวิบากก็ประเมินได้ว่าอที่ปากของเขานี่มีร่องรอยบา อันนี้ผมก็พูด ก, กเจ้าตัวเขาต้งตรงนะผมเห็นร่องรอยบาปอยู่ที่ปากความทุกข์ความเดือดร้อนเนะเกิดจากปากคุณนี่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไปเที่ยวชี้ปากคนก็รองเดดนใช่ไหมก็ว่าเราคุยกันแล้วอะไรกันแล้วอะตกลงยอมรับที่จะคุยกันก็บอกเนี่ยหมอเขาดูในแง่ขอ ง, ของความสามารถเพราะคนเราเนี่ยมันความสามารถมันใช้ในทางดีทางไม่ดีก็ได้นะแล้วก็จริงอย่างหมอว่าดยแล้วก็ ไอ้ที่ผมพูดนะเขาไม่อยากยอมรับหรอกแต่ในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเมื่อตามสังเกตศึกษาตัวเองดูแล้วเนี่ยต้องควบคุมการใช้ปากอย่างมากเพราะปากนํามาซึ่งความเดือดร้อนมันก็มีแววบอกนะในเชิงวิบากไอ้นี้เราก็ไม่พูดว่าเราเห็นแววอะไรคือไอ้ขา่ขาวว่าเราพูดแต่ว่าตรงนี้ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวจะไปเข้าปากใครเขาเข้า มันก็มีไอลักษณะบางอย่างอะไรเงี้ยน ะ, ะเห็นงน้วยมันมีมันมีกระแสมีแววอะไรบอกก็ไม่รู้ก็รู้นะแต่ว่าไม่ไม่พูดอะเทปมันเป็นรอยมันเป็นร่องรอยแววที่ปากอยู่เฉยๆแล้วในขณะที่พูดเนี่ยมันจะมีลีลาของปากที่ทําให้เราก็ไม่ใช่หมอดูแต่มองแล้วมันรู้สึกอย่างนันแล้วก็พูด <c oughs> ก็พูดไปก็ไม่ปากแตกเพราะว่า เขาอยากให้พูดเราก็พูดเนี่ยไม่อยากให้พูดเราไปพูดค เ, เดียวเราก็ปากแตกอันนี้เป็นเป็นร่องรอยเดิมของชะตากรรมของคนในทางนั้นบางคนก็ร่องรอยในทางมโนกรรมทางมโนกรรมเนี่ยมันก็ทั้งดีทั้งไม่ดีหมายถึง <c oughs> ลักษณะทางจิตทางความดีทางจริยธรรมของคนเนี่ยนะ จะมีทางนี้นะครับอย่างเราก็เห็นบางคนเนี่ยครับไอ้หลักทางนี้สูงเพราะว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราบางคนที่คนเขารบนัำถือในจุดเด่นก็อยู่ทางนี้พูดเปิดแล้วก็ไม่ได้เก่งนะครับนะทำเสร็มาแล้วก็ยังก็ไม่ได้เก่งโดดเด่นอะไรกว่าเขาแต่ว่าที่เรียกว่าอัตราสัมมาปณิธินี้ดีทำให้ตรงนี้เป็นพลังพลังแล้วท่ ตรงนี้ละเอียดมากเนี่ยก็จะดีแต่ว่าถึงบางคนเขายังพอคุมใจวางรูปแบบรูปลักษณ์ก็หน่อย ก, ก็ยังพอใช้ได้นะแต่บางท่านทนง็ดีอย่างท่านเนี่ยจิตใจก็ดี <c oughs> แล้วหลายๆคนที่ก็ไม่ใช่เป็นคนผู้เก่งอะไรเก่งนะะก็ได้บางท่านก็ได้สองถวาน สองทวารคือทางกายก็ยันทํานุ่นทำนี่เก่งความคิดดีมโนธรรมสูงก็เป็นกรรมอันหนึ่งเราก็เห็นได้ชัดเจนโอ้หธรรมนี่มีผลต่อความล้มเหลวสูงมากมันไม่ใช่แต่ว่าเราคนเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะทาอะไรได้ตามใจชอบโดยที่ไม่ได้ลึกว่าใจคนมองไม่เห็นเนี่ยนะ ถ้าภาวะจิตใจเป็นที่เรื่มใสสศรัทธาเชื่อถือแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เบาแรงขึ้นเยอะถ้าตรงนี้พลาดแล้วเนี่ยอีกสองทางมันก็อุดไม่อยู่พูดไปด้วยใจเป็นกลางใจว่างๆไม่ไม่ได้พูดแบบมีจารกันมองกันเมืองอะไรฉะนั้นคนที่มี ความคิดมีสัมมาทิฏฐิมีจริยธรรมในทางใจดีๆเนี่ยคุ้มตัวได้ทำให้เกิดความสาเร็จได้แต่ว่าว่าที่จริงแล้วทางใจเนี่ยเป็นของสูงกว่าทางกายวาจาเนื่องจากว่ า, าภาวนาใหม่ก็เป็นเรื่องของใจแม้ว่าจะเดินจงกรมแม้ว่าจะบริกรรมนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นเอกเทศไปจากใจนะเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อใจ แสดงออกอย่างเป็นบริวารการทำงานทางใจเท่านั้นแล้วก็ใจถึงสัมมาทิฏฐิชั้นสูงถึงบุญกิจยาชั้นสูงเออเกิกับจะแรงกว่าสองทางในเบื้องต้นมาเราอยู่ในวงการศาสนาเราชัดเจนกันมานานในเรื่องนี้จึงเขียนเป็นข้อสรุป <c oughs> สำหรับเนื้อความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตรงนี้ทรงตรัสทวานสามอันหนึ่งแล้วก็ตรัสกรรมสามอันหนึ่งและตรัสเวทนาสองคือวิบากนั่นเองแล้วก็ กรรมสามเนี่ยกรรมแจกโดยถ า, านรแต่เมื่อว่าโดยฐานนะทางจริยะหรือทางชาติแล้วเนี่ยมันก็คือคครรกรรมสองกุศลกรรมกุศลกรรมเนี่ยครับโยงโยงเที่ยมเป็นเหตุเป็นผลกันกรรมสามอาศัยาวาวรเกิดปัดใจจัยให้เกิดวิบากสอง เดี๋ยวก็โยงไปหาความเป็นกรรมที่ความสุขความทุกข์เป็นที่อาศัยเกิดกรรมมีเจตนากรรมแสดงออกทางถ า, าลรวิบากเกิดขึ้นเป็นเวทนาสองความสุขความทุกข์นี่นี่เป็นเป็นข้อสรุปตรงนี้มันเรื่องความสุขความทุกข์ในชีวิตคนเนี่ยความจริงก็น่ามองนะ ตัวเราเองก็น่ามองหลายคนก็น่ามองน่ามองทั้งในแง่ว่าไอ้น้ำหนักสุกน้ำหนักทุกอันไหนมากกว่ากันในพูดถึงอย่างธรรมดาธรรมดานะแล้วก็สุขนั้นหยาบละเอียดแค่ไหนทุกนั้นหยาบละเอียดแค่ไหนในชีวิตของเราเนี่ยมีไม่เท่ากันเช่นว่าพอพูดถึงการที่นอนเนี่ยทั้งแต่ละคนเนี่ย แต่ละคนก็จะมีเขตแดนมีความประนีตทีความสุขในจากการนอนไม่เท่ากันจริงไหมถ้าสมมติว่าท่านมีที่หลับที่นอนห้องนอนปูพร ม, รรมติดเครื่องปรับอากาศนะมีทีวีมีอะไรตะะไร่างๆเท่าที่สมควรจะมีอย่างชีวิตสมัยปัจจุบันแล้วท่านเกิดไปเห็นห้องนอนของคนยากคนจนครับท่านก็คงจะรู้สึกว่า มันดีแบบแต่มันไม่แน่ในแง่ของค่าวิบากเนี่ยมันสุขทุกข์ไม่เท่ากันจริงๆแต่ในแง่ของกิเลสและจริยธรรมนะบางทีไม่ไอ้ในแง่นั้นสู้เขาไม่ได้นะจริงไหมนึกเลยว่าคนนอนในห้องปรับอากาศอย่างมิดคิดเครื่องนอนอุปกรณ์ทั้งหลายครบทุกอย่างเนี่ยจะมีความสุขในแง่ของค่าทางจริยธรรมดีกว่าคน ที่นอนบนเสียงนาในท้องทุ่งรั้จักเสียงนาไหมเสียงไม่ใช่เสียงคอเป็นเอ็นนะหมายถึงกระท่อมกลางทุ่งกระท่อมกลางทุ่งเป็นเ้าเรียกหลายอย่างนะอีสานเขาเรียกเสียงน า, าอาจจะนอนเป็นสุขก็ได้ถ้ารู้ว่าเป็นสุกเนี่ยเ็เป็นสุขเพราะว่าไอ้กิเลสอะไรรเขามันน้อยกว่านะ พระนอนในในถ้ำในอะไรก็มีความสูงจริยธรรมสูงนั้นธรรมะก็เป็นตัวคุ้มครองอันหนึ่งวิบากก็อันหนึ่งถ้าวิบากด้วยแล้วก็ธรรมะด้วยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขที่แน่นอนขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าคนจริยธรรมไม่ดีวิแล้วเป็นเนะวิบากไม่ดีด้วยไป น, นอนตากยงด้วยก็ตายเร็วเลย เจ็บไปได้ป่วยไปกรใหญ่ทั้งกายทั้งคิดอันนี้สุขทุกข์ที่ไม่เท่ากันทีนี้เวลาพระเจ้าท่านประเมินค่าทางวิบากเนี่ยในแง่ของตัวเนี่ยนะครับท่านก็จะประเมินค่าปกติว่าสุขทุกข์โดยปกติที่นอนเรื่องการกินอาหารการกินประนีตไม่เท่ากันจริงไหมไม่เท่ากันจริงๆเลย เราเราก็ต้องมองแบบวางไม่ใช่พูดเพื่อที่ไปหากินดีๆบางคนเนี่ยเขาก็ก็กินในอย่างชนิดที่บางคนเห็นแล้วก็ก็กินไม่ลงอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันไม่ไม่น่าเด็ดอร่อยเลยก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะจะกินอะไรแหละความประนีตไม่เท่ากันทุกอย่าง นี่เป็นผลโดยรวมที่เรียกว่ามีความสุขและความทุกข์อย่างไรทีนี้พูดถึงความทุกข์บ้างถ้าเป็นความทุกข์ของคนรวยกับคนจนเนี่ยมันจําเป็นต้องแพ้ชนะกันไปตามฐานะไหมไม่จําเป็นอยูเหมือนกันว่าคนรวยเนี่ยจะต้องทุกข์น้อยกว่าคนจนมันก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะ คนจนทุกข์ในทางกายคนรวยทุกข์ในทางจิตก็คือทุกข์ในทางกิเลสกับทุกข์ในทางวิบากมีว่าถึงโดยทั่ ว, วไปน ะ, ะทีนี้ไอ้กุศลวิบากในเวลามันเกิดขึ้นสูงสูงเนี่ยมันทําให้กิเลสเนี่ยแรงตามไปด้วยถ้าไม่สมใจกิเลสตู่ไม่ตู่มุว่าท่านเป็นเจ้าของบริษัท มีธุรกิจเป็นพันล้านหมื่นล้านกิเลสสูงหรือกิเลสต่ำกิเลสสูงตามไปด้วยเวลาเวลามันเกิดใ้ความผิดพลาดเนี่ยความทุกข์เพราะกิเลสก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมันแรงแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อะความทุกข์อย่างอื่นตามมาเมื่อมันได้ช่องนั้นเป็นเรื่องการขยายตัวของกิเลสที่เนื่องไปถึงกรรม ผมขอผ่านเลยตรงนี้ไปแล้วก็ให้ดูเนื้อความที่ท่านตรัสว่าดูก่อนอานนท์เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละบุคคลย่อมปรุงแต่งกายยสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเอง บ้างเพราะผู้อื่นบ้างโดยรู้ตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างบุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยตนเองบ้างเพราะผู้อื่นบ้างโดยรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างบุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างเพราะผู้อื่นบ้าง โดยรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างอันนี้เป็นข้อความ อ, อีกตอนหนึ่งนะครับที่ที่อ่านให้ฟังนี้เนื้อความเนี่ยก็ลองเดาดูว่าจะมีความหมายไปอย่างไรเนื้อความตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศเหตุของสังขารเหตุเหตุหลักของสังขารเหตุร่วมของสังขารเมื่อกี้นะทาวารเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุหลัก ไม่ใช่เป็นเหตุร่วมเพราะว่าเจตนาทางใจก็อาศัยใจเจตนาทางกายก็อาศัยกายแต่ในที่นี้เจตนาทุกอย่างกรรมทุกอย่างอาศัยอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทีนี้อวิชชาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดกรรมอย่างไรเนี่ยอในตอนนี้ผมจะไม่พูดเคยพูดบางแล้วแต่ว่าเราจะมีประเด็นที่รออยู่ข้างหน้าจะพูดแบบชี้ชัด ก็จะจะข้ามตรงนี้ไปเพียงแต่ให้รู้ว่าอาวิชาเป็นเหตุร่วมทีนี้เมื่อบุคคลมีวิชาในย่อมปรุงแต่งกา ย, ยสังขารก็คือทํากรรมเนี่ยนะครับปรุงแต่งก็คือทํากรรมปรุงแต่งวิชีสังขารก็คือทํากรรมทางวาจาปรุงแต่งมโ น, โนสังขารคือทํากรรมทางมโนสังขารเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยแตกต่างโดยทวารแล้วในอย่างหนึ่งอันหนึ่งส่วนหนึ่ง กรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจแตกต่างกันขั้นหนึ่งยังมีรายละเอียดของกายสังขารเป็นกรณีหลักๆเป็นรายละเอียดกรณีหลักๆว่าจีสังขารกรณีหลักๆมโนสังขารกรณีหลักๆ อ, ออกไปอีกตรงนี้เนี่ยเราเมื่อพูดถึงกายสังขารเราอาจจะนึกถึงในแง่กรรมบทความแตกต่างในเรื่องกรรมบุว่ากายสังขารครอบคลุมเฉพาะกรรมบทสาม เรียกว่า ก, กายกรรมสี่ที่ลงกรรมาบทนะไอ้ไม่ล่งกรรมบทก็มีอีกวัจีสังขารที่ล่วงกรรมบทนำไปสู่วบายได้ก็คือวัจีสังขารสี่ผู้โกหกผู้กรมยาผู้โสเศษผู้ประเจอมนโนสังขารโดยโดยกรรมบทสามอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ยังมีที่ไม่ลงกรรมบทอีก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 นี่เป็นข้อแตกต่างในส่วนหลักของทุกทุกเทวาลและของทุกทกก ร, รมบทจะมีข้อแตกต่างส่วนหลักตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ก็มาอธิบายว่าหมายความว่าไงที่บอกว่าด้วยตนเองข้อนี้ท่านบอกว่าบุคคลที่ทํำกายกรรมใดๆที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์เนี่ยก็คือทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และสุขนั้นน่ะ เราทำด้วยตัวเราเองก็มีทำด้วยเพราะผู้อื่นก็มีตรงนี้ท่านแสดงสะสังขาริกหรืออาสังขาริกถ้าอาสังขาริกแปล ว, ว่าทำด้วยตัวเองสะสังขาริกแปล ว, ว่าผู้อื่นกระตุ้นชักชวนให้เราทำเรียกว่าสะสังขาริกก็ตกลงตรงนี้คือหลักอวิธานครับ สังขาริข์ทำเองสังขาริขถูกผู้อื่นกระตุ้นในธรรมทั้งที่เป็นบุญทั้งที่เป็นบาปทางกายกาจทวานและที่ท่านกล่าวว่าโดยรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างอ่านตรงนี้แล้วบางทีจะสงสัยว่ามีหรือคนทำกรรมโดยไม่รู้สึกตัวไอ้คำว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวที่พูดแบบ ในทั่วๆไปเนี่ยจะมีเป็นหลายอย่างเือเราว่าเป็นสามอย่างเพื่อจะได้ชี้ชัดว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวท่านหมายถึงอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ก็คือคนที่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยและทาบาปทาบุญเนี่ยมันไม่ได้จริงไหมจริงยเป็นบาปเป็นบุญได้ไงรู้สึกไม่รู้สึกตัวเหมือนกับคนที่ตายแล้วอ ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปันถูกผีเข้าอ่ะเป็นบุญเป็นบาปไหมรู้สึกตัวไหมถ้าเข้าแบบเต็มๆแบบสิงแบบคล้ายๆละสมัยในวีในปดกเนี่ยคนถูกผีเข้าเต็มๆเนี่ยจิตเป็นผวังคือจิตหลับจิตหลับนะถ้าเข้าเต็มๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหลับเนี่ย ก็คือไม่รู้สึกต่อการทําบาปหรือทําบุญเลยบาปบุญไม่เกิดกับคนที่ถูกผีเข้าอย่างเต็มเต็มโจะเป็นอเท ว, วดาเอะไรก็แล้วแต่เลยครับและรวมทั้งผู้มีฤทธิ์บังคับจิตให้หลับให้ไม่รู้สึกตัวที่ถ้าเข้ายัางไม่เต็มก็มีความรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้าง แต่พูดอย่างเป็นไอสภาพของวิถีจิตเนี่ยหมายความว่าวิถีจิตนั้นสลับกันรู้สึกและไม่รู้สึกสลับกันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไปตามสภาพของจิตที่เป็นอยู่ในขณะนั้นอ่ะอัน น, นี้นี่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าพูดอย่างธรรมดาเนี่ย ว่คนที่ไม่รู้สึกตัวที่หมายถึงเผลอเผลอเลอทําบาปด้วยความเผลอเลอจะเพราะว่าเมาเหล้าหรือจะเป็นเพราะว่ามีอาการกำเริบเสื่สารด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างธรรมดานะถ้ากรณีอย่างนี้แล้วเราเรียกว่าไม่รู้สึกตัวแบบทั่วไปแต่ถ้าเป็นแบบธรรมะเนี่ยนะก็ถือว่ารู้สึกตัวอยู รูอรู้สึกตัวคือมีการรับรู้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นความประสงค์ของตรงนี้นะครับว่ารู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะหมายถึงตรงนี้หมายถึงคนที่ทําบาปด้วยความรู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปยังมีสติสำหรชัญญะไอ้ข้อนี้ฟังให้ดีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าคนทําบาปยังมีสติ มีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยทาบาปด้วยได้ไหมไม่ได้แต่ที่ท่านพูดตรงเนี้เหมายนว่าคนที่ทําบาปด้วยความรู้สึกขัดแยง้งมีความรู้สึกขัดแยง้งระหว่างอุศสจิตกับอุปสมณจิตกับทําบาปอย่างไม่มีความรู้สึกขัดแยง้งด้วยจิตฝ่ายตรงข้ามนี่เียแหละควารู้สึก มันรู้สึกตัวนี้หมายถึงทำด้วยความรู้สำนึกว่าควรไม่ควรแล้วท่านไม่นึกเถียงหรือว่าเอ๊ะรู้สานึกแล้วทาไมทำถ้าเถียงผมก็จะเถียงว่าคนรู้สำนึกแล้วทำบาปไม่มีแล้วและเราไม่ได้ทำบาปด้วยความรู้ว่าเป็นบาปมาบ้างเลยหรือ เป็นไปได้ไหมเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องแบ่งชีวิต 1970, ไปเป็นสองสิ่ทุกคนบางอย่างบางครั้งอาจจะมากครั้งว่าเรารู้ว่าปเป็นบาปแล้วเราคุมได้เราไม่ทำบางอย่างเนี่ยเป็นบาปที่เรารู้แต่เรายังฝืนที่จะไม่ทำไม่ได้บางอย่างเราก็คิดที่จะไม่ทำแต่ยังฝืนไม่ได้บางอย่างก็ไม่คิดที่จะฝืนแต่รู้ว่าเป็นบาป ใช่ไม่ใช่มีทุกคนแลยครับที่นั่งอยู่นีม่มีผมก็นั่งท่านก็นั่งก็มีหมด เ, เช่นเรารู้ว่าเมื่อเราบ่นดูด่าว่าใครได้คิดเป็นโทสาเนี่ยเป็นบาปใช่ไม่ใช่บางคนก็อดไม่ได้ใช่ไหม อย่างนี้เรียกว่าทำบาปท้งรู้เหมือนพูดโกหกทางรู้เหมือนฆ่าสัตว์และรู้เป็นบาปท้งรู้ทำมาทินาทานท้งรู้แต่เพราะประมาทเรือว่าแต่เพราะว่ามีไอเหตุจาเป็นอะไรอย่างอื่นกุศลลจิตไม่แรงพอที่จะขุนจะฝืนได้ก็ได้บาปบางอย่างที่เราไม่ทำเดี๋ยวนี้และเรารู้แล้วไม่ทำเนี่ย ถึงภาวะหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็อาจจะกล้าทำกล้าทาทั้งรู้และทั้งที่เราเคยไม่ทำมาก่อนนั้นผูุ้ชนเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่แน่นอนแล้วก็ไว้ใจไม่ได้อย่างนี้ใน ท, ที่ที่ไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวไม่มีสติตามิญญาไม่มีความคิดตีค่าใน บาปหรือบุญที่ตัวเองทำเลยว่าถูกผิดทำไปทึ่ทืมไั้นแหะทำไปแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็อะไรถูกเนี่ยนะครับไม่มีความคิดฝืนเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทุกๆคนเนี่ยโงกเดียวกันหมดตรงนี้ตรงนี้นะะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าไอ้ความสูงความต่ำมันไม่เท่ากัน คนที่ชั่วก็ไม่ใช่เขาไม่มีเกณฑ์มาตรฐานไอความผิดชอบชโชคดีอะไรในใจเลยใช่มหมยกตัวอย่างให้ว่าเราอยู่ในประเทศนี้เรารู้ว่าเนี่ยผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นความรู้อันหนึ่งในแง่ของเกณฑ์บุญและเกณฑ์บาปถ้าถามว่าบุคคลทําบาปโดยรู้ตัวกับโดยไม่รู้ตัวอันไหนบาปกว่ากัน คำถามเดียวกับที่พระนาคเกถีรถามพญามิลิตว่าทําบาปเชื่อบาปก็ไม่เชื่อบาปไหนเมากันโดยหลักทั่วไปแล้วก็คือว่าคนไม่รู้ตัวคนไม่เชื่อบาปมากกว่าไปเทียบระดับต่อระดับนะแต่เราอ่านมิลิตปัญหาเราก็อดถามกันไม่ได้เสมอทุกคนเอ๊ะถ้ารู้ตัวแล้วยังฝืนทา ไม่บาปมากกว่าเลยรู้แล้วยังฝืนทำบอกก็เพราะมันฝืนลำบาปน้อยพูดถึงในระดับเดียวกันนะถ้าไม่ฝืนก็ไม่บาปมันก็บาปเยอะไปเลยเพราะไม่ฝืนเลยนั้นถ้าจะทําบาปอะไรเป็นตัวฝืนกุศลเป็นตัวฝืนเพียงแต่มันฝืนไม่อยู่ใช่ไหมไอ้ฝืนไม่อยู่เนี่ยพัฒนาไปมันก็กลายเป็นฝืนอยู่อย่างแก่ป่าเราไม่ทำบาปหลายอย่างเนี่ยเรา อาจจะเคยผ่านแล้วเคยฝืนแล้วฝืนไม่อยู่จนถึงเราฝืนอยู่กับคนไม่เคยฝืนเนี่ยเจอบาปก็วิ่งเข้าใส่ทันทีแต่ที่ไม่ทําบาปเนี่ยไม่ใช่เพราะแรงฝืนนะเพราะว่าไอ้มันเป็นเรื่องของกิเลสเลือกที่จะทําว่าย่างนี้ไม่คุ้มค่าทําไม่คุ้มค่าเหนื่อยมันก็ไม่ทํามันไม่ได้คิดในแง่เหตุผลในทางบุญกุศลอะไร เรียกว่ารู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเป็นสองกรณีถ้าเป็นการทําบุญรู้สึกตัวได้บุญมากกว่าเพราะว่าคนที่ทําบุญอย่างรู้สึกตัวเป็นแรงผลักถ้าไม่รู้สึกตัวนะ่ะไม่มีแรงผลักคือทาไปตามธรรมชาติตามความเจริญเติบโตวความประชุมพร้อมของเหี้ปัจจัยแต่คําว่าแรงผลักเนี่ยมันไม่แปลว่า ทำให้รีบร้อนทำหรือลูกลีลูกลนในการทำอย่าไปปนกัไรีบนะจะอาจจะรีบหรือไม่รีบก็ได้ถ้าความรู้นั้นเขาชัดเจนว่าเขายังไม่ชัดเจนเขาก็หาความชัดเจนและจึงทำมันก็ดีกว่ารีบหลามทำถ้าเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาก็รีบทำก็ตกลงว่ามันปลักปลักให้ทำให้ให้ดีให้ได้ดี และไวตามช้าหรือไวตามเกณฑ์ของความพิเคราะห์ได้ของความรู้นั้นส่วนคนไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีก็อาจจะทำและไม่ไ ม, ไ, มไม่สมไม่ควรไม่เหมาะในหลาย ๆ, ๆอย่างนะครับแล้วก็มักจะเป็นเหตุเสี่ยงต่ออัปปะเจตนาเสียในภายหลังได้ง่ายกว่ากันเยอะ นั่นเป็นกายกรรมทางกายกรรมทางกายออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงฆ่าสัตว์ก็ฆ่าโดยตัวเองใช้คนอื่นฆ่าเชื่อบุญเชื่อบาปบ้างไม่เชื่อบุญเชื่อบาปบาป้างอย่างมือปืนรับจ้างมันก็คงจะมีหลายประเภทนี่นะ่ะว่จีสังขารกักน ในแง่วินียเนี่ยมันก็เหมือนกฎหมายอันหนึ่งที่เะาเรียกว่าทำบาปทั้งรู้อยู่เช่นพูดโกหกทั้งรู้อยู่จะมีสำนวนอันนี้ไอ้คำว่ารู้อยู่เนี่ยในที่นี้ท่านกลับไม่ได้หมายถึงอย่างในนี้นะ ท่านหมายถึงรู้ว่าเป็นคําโกหกเที่ยวโกหกทั้งรู้อยู่ไม่ใช่รู้บุญรู้บาตรู้บุญรู้บาตร่อยโกหกนี่เป็นบาตไม่รู้คือไม่รู้เป็นบาตไม่ใช่แต่ถ้าโกหกทั้งไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นคําเท็จเข้าใจอย่างนั้นก็พูดไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าโกคําโกหกแต่ไม่ผิดศีลไม่บาต พอาจารย์ก็อาจจะโกหกแบบนี้ได้ที่ท่านไม่รู้นะหรือเข้าใจผิดนี่ก็แม้ทางวาจาแม้ทางใจก็เป็นลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันครับผมขอผ่านเลยไปถึงข้อความที่กล่าวต่อไปว่าเพราะอาวิชชาดับเจตนา กรรมสามดับสุขและทุกข์ยิงไม่มีตรัสว่าดูก่อ น, อ, น, นอานนท์อวิชาแทรกอยู่แล้วในธรรมเหล่านั้นก็เพราะอวิชาดับโดยสำลอกไม่เหลือเนี่ยกรรมก็ดับหมดเลยวอนี้เมื่อกรรมดับวิบากของกรรมนั้นก็ดับไปด้วยแต่ว่าไอ้กรรมใดที่ทําไปแล้วแล้วก็วิบากยังส่งผลอยู่มันก็ต้องอเป็นเหตุเป็นผล เดินต่อไปเพราะว่าเป็นผลิผลของอวิชาเก่าที่ท่านใช้คำว่าแทรกอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าไงแทรกอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือแทรกโดยอำนาจของปกตูปนิสยาปัจจัยซึ่งหมายถึงพลังของอนุใสแหละอำนาจอันหนึ่งที่มันครอบงำเราอยู่ที่มันสิงแฝงอยู่ เยว่าเป็นปกติวิธียะปัจจัยและแทรกอีกอันหนึ่งก็คือแทรกในลักษณะที่อวิชานั้นปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกทํางานอย่างเป็นความโงกเขลาแทรกโดยลักษณะสองอย่างนี้ถ้าเป็นการทําบาปจะแทรกทั้งสองลักษณะถ้าเป็นการทําบุญอวิชาจะแทรกในแง่ของอํานาจของนิสัยอํานาจครอบงา คือประตูปณิสิยาปัจจัยอันนี้ก็พูดสําหรับคนที่ห อ, อฟังได้นี่ถ้าเอาวิชาออกอย่างอื่นก็ไม่เกิดคือกรรมไม่เกิดอิบากก็ไม่เกิดข้อความที่เขเรียกว่าเขตที่ว่าเขตซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นไปในเกิดขึ้นจึงไม่มีวัตถุก็ดีอยายตนะก็ดีอธิกรณ์ก็ดีเหล่านี้หมายถึง ที่อาศัยเกิดของกรรมที่อาศัยทํากรรมนั่นเองเหมือนกับกายเป็นที่อาศัยในการทํากรรมวาจาเป็นที่อาศัยในการทํากรรมมาโนเป็นที่อาศัยในการทํากรรมเจตนาอาศัยเกิดแล้วก็เหตุกรรมเหมือนกันครับเหตุนี่ก็หมายถึงใ้เหตุปัจจัยที่กรรมอาศัยเกิดวัตถุที่ตั้งเป็นเป็นบุหานแล้วก็อายตนะอธิกร ก็อย่างเนี้ยว่าเรา <c oughs> เวลาเราให้ทานยกตัวอย่างง่ายๆนะเราต้องมีวัตถุเจตนาต้องปราลรบวัตถุนึกว่าจะให้กับวัตถุที่เป็นของเราและเจตนาก็สั่งแขนสั่งขาสั่งจิตจะรูปให้เคลื่อนทางกายทวารเนี่ยเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างนี้ที่ท่านว่ามนเนี่ยเป็นทวารกับเป็น ปัจใจที่อาศัยของการทำบุญดำบับเกิดขึ้นด้วยเจตนานั้นจงใจเอาละครับวันนี้ก็จะจบไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเวทนาหนึ่งที่กล่าวถึงเวทนาว่าเวทนาหนึ่งได้แก่ทุก คือนี้ที่ที่กล่าวหนึ่งเนี่ยเพราะว่าบางทีคนถามเขาปราลบเรื่องทุกข์ตุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอะไรจากพวกนัก